เพื่อเก็บกระดูกของทองกอนที่เหลือจากการเผาก็ได้กระดูกชิ้นเล็กชิ้นน้อยประมาณหนึ่งกอบจึงนำมาห่อในผ้าขาวและใส่ไว้ในหม้อดินเสร็จแล้วจึงนำไปฝากไว้ที่วัดเพราะครบร้อยวันที่ทองก้อนตายก็ได้ทาบุญแล้วนำกระดูกของทองกอนไปเก็บไว้ที่โกดเก็บกระดูกใกล้กับเจดีเก่า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 คงจะเอาไปทำอะไรไม่ดีวิญญาณของพ่อจึงมาขอความช่วยเหลือนัดทีขออนุญาตหลวงพี่เพื่อนำภาพจากกล้องวงจรปิดไปแจ้งความกับตำรวจหลังจากตำรวจ ร, รับแจ้งความแล้วนัดทีจึงกลับบ้านแต่คืนนั้นนัดทีก็นอนไม่หลับเลยทั้งคืนในใจคิดเพียงแต่เรื่องราวของพ่อและคืนนี้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 หอผ้าบรรจุ ก, กระดูกของพ่อเมื่อเห็นหลักฐานยังชัดเจนตำรวจจึงกลูเข้าไปจับตัวอาจารย์ที่ทำพิธีพร้อมกับชายอีกสองสามคนเมื่อตำรวจได้สอบสวนทั้งหมดอาจารย์ที่ทำพิธีก็ได้รับสารภาพว่ากำลังปลุกเสกเครื่องรางของขลังโดยใช้กระดูกของผีตายหงมาร่วมทำพิธีเพื่อให้เกิดความขลัง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 ดวงวิญญาณของพ่อคงถูกมันสะกดเอาไว้ไม่ได้ไปผุดไปเกิดนาทีระยัดยาตจึงตกลงกันว่าจะไม่นำกระดูกของพ่อไปเก็บไว้ที่โกดอีกแล้วแต่จะนำไปลอยในแม่น้ำใหญ่ให้กระดูกไหลไปตามน้ำเพื่อดวงวิญญาณของพ่อจะได้ไปผุดไปเกิดและไม่มีใครนำเอาไปได้อีกใคร